อนาปติวานพิชชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. พิกษณีไม่ถามบูโบสดและไม่ขออวาทในเมื่อมีอันตรายสองพิกษณีแสวงหาแล้วแต่ไม่ได้พิกษณีเป็นเพื่อน 3. พิกษณีผู้เป็นไข้สพิกษณีมีเหตุขัดข้องหพิกษณีวิกลจริต 6. พิกษณีต้นบัญญัติสิบคาบที่9จบ